จิตที่ได้ชำระด้วยมีความผ่องใสเป็นประจำขณะที่เราอยู่ในสถานที่ยิีเงียบไม่มีเสียงปรากฏเลยเวลากลางคืนแลิกจิตทั้งๆที่ไม่รวมไม่สงบรวมเป็น สมาธิก็าตามมือกำหนดดูที่จุดแห่งความรู้นั้นจะเห็นว่าเป็นความละเอียดอ่อนมากที่สุดจนพูดอะไรไม่ถูกและความละเอียดนั้นเลยกลายเป็นเหมือนกับอะไรระสมอมันแผ่กระจายไปหมด สิ่งที่มากร ะ, กระทบทงตาทางหูทำยิ้มทงสมอกทางกายก็ไม่ปรากฏในเวลานั้นทั้งทั้งจิตไม่ได้รวมไม่ได้เป็นองค์แห่งสมาธิแต่เป็นฐานของจิตที่ทำนะด้วยดีอยู่แล้วสแสดงความรู้ของตนให้เด่นชัดอยู่ภายในตัวเองความรู้อันนี้ก็เหมือนกับไม่มีร่างมีกายเป็นที่อาศัยอยู่เลย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 ไม่คิดไม่ปุงอะไรพักความกระเพื่อมคือความคิดปรุงต่างๆภายในจิตโดยสิ้นเชิงเรือแต่ความรู้นั้น้วนานี่เรียกว่าจิตเข้าสู่ความสงบยิ่งอะไรๆไม่ปรากฏเลยจะปรากฏแต่ความรู้นั้นเหมือนครอบโลกธาตุไปหมดเพราะกระแสของจิต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 ก็เหมือนกับว่าไม่มีการสถานที่นั่นเองมันครอบไปได้หมดกล้ก็เหมือนกับใกล้ใกล้หรือกายมันพูดไม่ถูกเห็นแต่วความรู้นั้นเด่นครอบไปหมดขอบเขตจกกักรวาลเนืโลกทั้งโลกเลยปรากฏมีแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นเหมือนไม่มีอะไรเลยเนี่ยนี่อำนาจของจิตกระแสของจิตที่ชนระ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 เนื่องจากสิ่งนั้นไม่ใช่สมมุติแล้วเป็นวิสัยของผู้มิใช่สมมุติรู้เรื่องความมิใช่สมมุติของตนเท่านั้นจึงนำมาพูดอะไรไม่ได้ น, นี้โลกเต็มไปด้วยสมมุติพูดอะไรก็ต้องมีภาพขึ้นม า, เ, นานนเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นยกคาว่านิพพานขึ้นมาพูด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 ไปกันมาหรือนั่งอยู่สะดวกสบายพาจุดจะเร่เลยทำหนองนั้นไม่มีความตกเศร้าน้อยเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพันุ์เหมือนโลกสมมติเรานะความจริงหาได้ทราบไม่ว่าความที่ว่ามีแต่ผู้หญิงผู้ชายที่บริสุทธิ์เดินกวาดฝ่ายหรือนั่งอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาของตนด้วยความสุขความระเสกษมไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งขวรนั่นเป็นสมมติอันอั้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 เพรตามธรรมนาจิตก็คอยกต่จะผิดอยู่แล้วหรือยังมีความผิดอยู่ภายในตัวอยู่แล้วพอแยกออกมาอะไรก็จะมองคาดไปตามความร้นเบาที่ไปกินให้จังไม่แน่ไม่นอนไมเสมอไปนปั่งพระอยไรยมุกที่ถูกกับภาษาดิบว่าพระหันตายแล้วศูนย เพราะพญมกนั้นเป็นปุ้ดุชนภาะสายุบเป็นผู้ชีแจงให้ฟังยังไม่ยอมเข้าใจพระพุท ธ, จธเจ้ามาชี้แจงให้ฟังแน่เช่น น, น, น, นั้นก็นึกถึงในในตำรานที่ท่านเขียนนั้นพญมกยังไม่ยังไม่ปรากฏว่าด้สาเร็จมพราผลไม่ผ่านเลยแต่ต้องมีเหตุมีผล พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงหากไม่ไม่มีความหมายอยู่ในการแสดงบัางแล้วพระองค์จะไม่แสดงเลยเป็นอะไรคติของพระพุทธเจ้าหรือพระวิสัยของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นจะรับสั่งเรื่องอะไรออกมาต้องมีเหตุมีผลคือมีสิ่งที่จะพึนได้รับสําหรับผู้ฝัง จึงจะแสดงออกมาหากไม่มีอะไรเลยก็ไม่ส่งแสดงนี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าที่พร้อมโดยเห็นโดยผลรู้รอบขอบคิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่พูดไปแบบเปลา่าๆเหมือนโลกทั่วๆไปเพราะฉะนั้นในเวลาที่พูดกับพรยามกรับสั่งอะไรพยมกทักลืมๆกันน่ะมันนานแล้วจนลืมว่บ มีใครได้ผลอะไรบ้างในระยะนั้นหรือว่าพญมพญมกก็ได้มันสงสัยไหมมาถืออแต่ตอนที่ว่าพระอรหันต์ตายแล้วสูญพระองค์ทรงแสดงอพระอรหันต์เป็นรูปหรือถึงตายแล้วสูญพระอรหันต์เป็นเบทนาเป็นสัญญาเป็นกลางขานเป็นวิญญาณหรือพระอรหันต์เป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟหรือเป็นอะไรถามไปเรื่อย ไม่ใช่อันเดียวกันสรุปความลงแล้วว่ารูปไม่เที่ยงรูปก็สลายลงไปเทนาทัญญาทังขาบิณยานไม่เที่ยงก็มีความสลายลงไปเท่านั้นเรื่องของสมมติเป็นไปตามสมมติอย่างนั้นส่วนเรื่องของวิมุตติคือความบริสุทธิ์จะให้เป็นอย่างนั้นไปไม่ได้จะนำเรื่อ ง, องความวิมุตติธรรมห ร, หรือวิมุตติจิตเข้ามาคลาคล้ า, าหรือมาบวกกันกับ ขันท่าคือเป็นเรื่องของสมมติดูเป็นอย่างนั้นความละเอียดของจิตละเอียดจนอัศจรรย์แม้ขณะที่ยังมีสิ่นพัวพันอยู่ก็แสดงของอัศจรรย์ตามขั้นภูมิของตนยิ่งสิ่ง ที่พัวพันหมดขึ้นไปโดยประการทั้งปวงแล้วจิตนั้นแหล่เป็นดวงธรรมหรือธรรมนั่นแลคือจิตจิตนั่นแลคือธรรมธรรมทั้งแท่งก็คือจิตจิตทั้งรวมก็คือธรรมที่นี่เราจะสมมุติอะไรไปไม่ได้เป็นธรรมล้วนแล้วภายในจิตแม้ท่านจะครองคลองร่านอยู่ธรรมชาตินั้นก็เป็นอย่างนั้น โดยสมบูรณ์แล้วขันก็เป็นขันอยู่อย่างพวกเราเราท่านนี่ให้มีรูปลักษณะมีกิริยามายาเป็นมีนิจจหลิปนิสัยไงก็แสดงออกตามหลิปนิสัยของตนตามเรื่องของสมมุติที่มันมีการแสดงตัวอย่างนั้นแต่ธรรมชาติของสมุด น, น, นั้นแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าว่าโลกก็เป็นอีกโลกหนึ่งแม้จะอยู่ในโลกแห่งขันก็ตามแต่นี้ไม่ใช่โลก ก็พูดอย่างนั้นไม่ได้นอกจากว่าโลกโลกุต ล, ล, ละ เ, เหนือโลกไปเสียท่านั้นโลกโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกท่านถึงทราบได้ในเรื่องความสืบต่อของจิตเมื่อทำละเข้ามาโดยลำหนักลำหนักเห็นเงืินต้นเงินปลายเห็นความแสดงออกของจิตว่าหนักไปในทางใดยังมีอะไรเป็นเครื่อง เกื่ยวสืบต่อหรือเกี่ยวเนื่องกันอยู่ท่าก็ทราบทราบได้ชัดนันเมื่อทราบชัดจึงหาวิธีตัดหาวิธีปกเปลื้องสิ่งที่ทราบชัดนั้นออกจากจิตโดยลำหนักเวลามันหนาแน่นภณนจิตมืดดำไปหมดนี้ไม่ทราบว่าจิตเป็นอ้ายแล้วสิ่งที่มาเกี่ยวข้องพกพันคืออะไรเลยถือเป็นอันเดียวกันหมด ทั้งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งตัวจิตเองค้าเข้าเป็นอันเดียวกันไม่มีทางที่จะทราบได้ต่อเมื่อได้ชำระสะสมไปโดยลำหนักลำหนับค่อยมีทางทราบได้โดยลำหนับจนกระทั่งทราบได้อย่างชัดเจนว่าเวลานี้จิตยังมีอะไรอยู่มากน้อยหรือยังมีอยู่นิดก็ทราบว่ายัางมีเพราะมีความสืบต่อให้เห็นอยู่ชัดเจนว่านี่คือเงอนหรือนีคือเชือ้อ ที่จะทำให้ไปเกิดในสถานที่ใดที่หนึ่งอยู่บอกอยู่ภายในจิตเมื่อท่านทราบชัดอย่างนั้นท่านก็พยายามแก้ไขด้วยวิธีการต่างๆของสติปัญญาจนกระทั่งสิ่ง น, นั้นได้ขาดไปจากจิตไม่มีอะไรสื่อต่อกันแล้วจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆหมดทางสืกต่อเห็นได้อย่างชัดเจนนี่คือผู้ไม่โดนด่าคือผู้ปฏิบัติจริง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 มีความสืบตอบเกี่ยวเรื่อเกี่ยวกับอะไรบ้างเพราะมันมีมากต่อมากที่เหลือในระยะนั้นพระองค์ก็ยังไม่ทรงทราบได้เหมือนกันแต่เมื่อนนั้นทรงบำเพ็ญจนกระทั้งจัดสรู้เป็นทําทั้งดวงขึ้นมาที่พระทัยแล้วจะ ท, ทราบได้ชัดนี่เมื่อทราบทรงทราบได้อย่างชัดเจนจึงนำเอา ความจริงอันนั้นออกมาประกาศทำสอนโลกแล้วใครผู้ที่จะสามารถรู้ทำประเภทไหนได้อย่างรวดเร็วก็ทรงเรีนยนญาณทราบดังที่ท่านทราบดาวบททั้งสองและเบนจวคีทั้งห้าเป็นต้นเมื่อเสด็จมาโปรดพวกเบญจวคีทั้งห้าก็ สมดังพระประสงค์ที่ทรงกําหนดทราบด้วยยานไว้แล้วท่านเหล่านี้ก็ได้บรรลุธรรมเป็นขั้นๆโดยลําดับจนกระทั่งถึงบรรลุเป็นพระคินาสกด้วยกันทั้งห้าองค์เพราะเอาของจริงออกมาแสดงต่อความจริงที่มีอยู่ในจิตใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายซึ่งประสงค์ความจริงอยู่ด้วยกันอย่างเต็มใจอยู่แล้วถึงรับกันได้ง่าย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 พริกมันเผ็ดมาสัมผัสลิ้นก็ทราบแล้วว่าพริกนี่เผ็ดและพูดออกมาด้วยความจริงว่าพริกนี่เผ็ดจะผิดไปที่ตรงไหนไการรู้ทำก็เหมือนกันปฏิบัติถึงขั้นที่ควรรู้ต้องรู้เป็นลำดับลำดารู้ทำนุรักกิเลสมันเป็นไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกัน เหมือนเราเปิดไฟความมืดก็ดับไปในขณะเดียวกันกิเลสสลายตัวลงไปความสว่างที่ถูกปิดบังอยู่นั้นก็สแสดงขึ้นมาในขณะเดียวกันกับกิเลสสลายตัวลงไปความจริงได้ปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนกิเลสซึ่ง เ, เป็นความจริงอันหนึ่งก็ทราบอย่างชาัดเจนและตัดขาดได้ด้วยหลักคอมจรคือสติปัญญา แล้วนำมาพูดกันเพื่อผู้ฟังด้วยความตั้งใจฟังต้องเข้าใจและทาที่พระองค์ท่านแสดงไว้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เหล่า น, นี้นั้นไม่ได้นอกเหนือไปจากเป็นเจ้ขันธ์ของเรามีใจเป็นตัวประธานสำหรับรับผิดชอบทั่วดีทุกสิ่งทุกอย่าง ทำเนียจะมากถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็่าต่างแสดงไปตามอาการของจิตอาการของกิตฤกษ์อาการของธรรมมากเป็นไปอย่างไรบ้างในปรรดาสัตว์ที่มีนิสัยต่างๆกันจึงต้องแสดงออกอย่างกว้างขวางแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์เพื่อให้เหมาะสมกับจดิกนิสัย น, นั้นจะได้นำไปฤิปฏิบัติและแก้ไขตนเองในวาระต่อไปและควรจะทราบ ควจะแก้กิเลสอาสวะได้ในขณะสดับทาจากพระพุทธเจ้าก็ให้ได้สำเร็จประโยชน์สำเร็จผลไปโดยลำหนับทาทั้งหลายจึงอยู่ที่จะข้อยังยิ่งอยู่ที่ใจการแสดงธรรมมีอะไรเป็นเครื่องเครื่องเกี่ยวเนื่องพัวพันกันอยู่ก็มีธาตุมีขันมีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอก นับไม่ทวนหาประมาณไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับตาหจูจมูกลิ้นกายใจของเราจรึงต้องแสดงทั้งภายนอกแสดงทั้งภายในเพราะจิตหลงได้ทั้งภายนอกหลงได้ทั้งภายในรักได้ชํำได้ทั้งภายนอกภายในเป็นไปได้ภายในจิตมีสําคัญเมื่อทรงแสดงให้ทราบทั้งเหตุทั้งผลทั้งข้างนอกข้างในตามหลักความจริงจิตที่ค ร, คร่ควรนึพิจารณาตามหลักความจริงหรือโดยเฉพาะอยู่แล้ว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 ธรรมในขณะที่แคบก็แคบคือจิตใจของเราในขณะที่แคบก็มีในระยะที่แคบเช่นการอบรมในเบื้องตน้นจิตมีแต่วความว้าวุ่นขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้จึงต้องสอนให้ออกมจิตใจให้มีความสงบสุขเพื่อจะตั้งเมื้อตั้งตัวได้ด้วยความสงบนั้นเป็นบาตเป็นฐานหรือเป็นราคฐานของใจพอจะตั้งตูวตั้งเมื้อตั้งตัวได้ในการปฏิบัติต่อไป จึงต้องสอนให้จิตมีความสงบด้วยทําบทใจข้อตาเมื่อจิตได้รับความสงบเพราะทําบทนั่นนั้นพอเป็นปากเป็นทางแล้วก็เริ่มพินิตพิจารณาปัญญาก็ค่อยแต่ออกไปโดยลาดับเมื่อถึงการอันควรที่จะพากจิตด้วยสมาธิภาวนาก็กำหนด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 คือสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วปัญญาจะต้องแสดงพิจารณาออกอย่างว้างขวางเดือดรำหนักลำหนักนี่ตอนนี้ปัญญาเท่ากับกว้างกว่างทำเท่ากับกว้างกว่างตอนนี้ปัญญามีความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไหรก็ยิ่งกระจายออกไปจนกระทั่งรู้เหตุรู้ผลใน สภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วหายสงสัยจิตย้อนตัวถอยตัวเข้ามาเข้ามานี่เข้ามาในวงแคบก็เมื่อพิจารณารูปตามความจริงแล้วจะไปปัวพันแต่กังวลกับสิ่งอะไรอีกเล่าเท่าที่กังวลวุ่นวายอย่างนั้นก็เพราะความไม่เข้าใจจึงได้เป็นเช่นนั้นเมื่อเข้าใจด้วยปัญญาที่ได้พิจารณาที่คลายเห็นตามความจริงของมันแล้วก็จิตก็ถอยปล่อยกังวลเข้ามาเรืเ่อย จนกลายเป็นวงแคกเข้ามาแคกเข้ามาจนกระทั่งถึงทาบถึงขันถึงจิตตัวเองโดยเฉพาะนี่เวลานี้วงแคกในระยะนี้วงแคบเพราะตัดเข้ามาโดยลำดับแล้วถ้าขัานมีอะไรบ้างนนะติ่งแจงลงไ ป, งปง ท, ทั้งรูปทั้งเมทนาทั้งทัญญาทั้งฐานิยาพิจารณาจนหายสงสัย ในเงื่อนได้เงื่อนหนึ่งก็ตามเช่นพิจารณาในรูปเรื่องเวทนามันก็เป็นอันว่าจะเข้าใจไปตามตามกันมากน้อยวิจารณวเวทนามันก็วิ่งมาถึงกันกันกบรูปอีกเช่นเดียวกันสัญญาสังขารมิญานมันก็มีลักษณะเดียวกันเพราะออกมาจากกระแสของจิตอันเดียวกันสรุปความลงแล้วขันทั้งห้า ท่านกะบอกว่าเป็นครั้งแห่งตายรับหรือเป็นกองแห่งตายรับทั้งหมดมีสิ่งใดที่ควรถือออกรูปประธากรูปประขันรูปทั้งปวงก็เป็นกองแห่งธาตุอยู่แล้วพินธนาสัญญาสังขารอุญาตแต่ละอย่างก็เป็นเทวนามธรรม ปากฏยิบยับยิบยับแล้วหายไปในขณนะขณะจะถือเอาสาระแก่งสารอะไรจากสิ่งเหล่านี้เล่าเนี่ยปัญญาอย่างซาบเข้าไปเดิมกับคือซาบตามความจริงซึ้งถึงจิต จ, จริงจริงแล้วก็ปล่อยวางด้วยความซึ้งอีกเช่นเดียวกันคือปล่อยอย่างถึงใจรู้อย่างถึงใจก็ปล่อยอย่างถึงใจเข้าใจอย่างถึงใจใืแคกเข้าไปแคกเข้าไป นี่แหละเห็นวิถีทางเดินของจิตที่ไปเที่ยวเกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรต่างๆนานาสร้างคำาเดินดับตัดทางเสือโคร่งทันว่าในหนังสือธรรมบทธรรมะตัดทางเสือโคร่งออกเที่ยวหากิ่นทันว่าคือออกจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไปเที่ยวเกี่ยวข้องตามบูคตามเสียงกลิ่นเรื่องคร่องเครื่ปั่นที่เนี่ยก็ออกมาเที่ยว ตามรูปตามเวทนาสัญญาสังขารจิตญาณค้นเข้าไปค้นเข้าไปทางเสือโครงเสือดาวเที่ยวตามนี้ทันวะแล้วค้นเข้ามาตัดเข้ามาตัดทางเข้ามาจนกระทั่งเอาเข้าใส่กรงเดียวเข้าใส่กรงคือเข้ารวมตัวในจิตดวงเดียวเท่านั้นพิเรศ อ, อาสวะทั้งมวลรวมลงในจิตดวงเดียวนี่ตัดขาดไปหมดอิงก้ารสาขาตัดไปหมดเหลือจะจิต อยู่ในกิต ด, ดวงเดียวอากิจมาแต่ว่าเป็นเอามาเป็นลูกฟุตบอลก็ได้มาคลี่คลายเอาจนแหลกกระจายภายในนั้นมันกลิ้งไปกลิ้งมาเป็นวัตตจับเหมือนลูกฟุตบอลนี่นะเตะซะจนแตกกระจายด้วยปัญญาน่งกิตที่เป็นสมมติแตกกระจายไป จิตที่เป็นสมมติก็แสดงตัวอย่างเป็นที่ทําไมที่ว่าจิตที่เป็นสมมุติจิตที่เป็นมิขมันเป็นจิตสองรวมอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นจิตดวงนั้นแหละที่มีสมมุติที่เป็นกิเลสอาสวะมันครอบอยู่นั้นเหมือนก็บเรียกว่าจิตประเภทหนึ่งแต่เมื่อได้ถูกชาระ ขยี้ขยําด้วยปัญญาลงไปแล้วอันนี้กระจายไปหมดแต่ส่วนจิตที่ทนต่อการพิสูจน์ไม่ได้สลายไปด้วยนี่ฉลายไปแต่จิตที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นพิเรศอาชวะจะละเอียดเพียงไรก็าตามมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกั น, กนสิ่งนี้สลายไปธรรมชาติที่รู้นั้นถึงสิ่งนั้นจะสลายไปก็าตามอันนี้ไม่ใช่ใจรักซะแล้ว เพราะสิ่งที่เป็นแรงรักได้กระจายตัวออกไปสิ่งที่ไม่ใช่แรงรักก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มผูหรืออย่างเต็มที่นี่แหละท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ขาดจากความสือต่อเยนเนื่องอะไรโดยประการทั้งปวงหลือแต่ความรู้ล้วนๆวนความรู้ล้ว น, นนี้เราพูดไม่ได้ทีนี ว่าจะเป็นจุดอยู่ในที่ใดในร่างกายของเราหน้แต่ก่อนเป็นจุดเช่นสมาธิเราจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าอยู่ในท่ามกลางอกความรู้เด่นอยู่ตรงนั้นความสงบเด่นอยู่ตรงนั้นความสว่างความปรองใสของจิตเด่นอยู่ที่ตรงนั้นอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องไปถามใครบรรดาท่านภูมิจิตที่มีความสงบเป็นฐานในสมาธิแล้ว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 ซึ่งไม่ตรงต่อความคิดเลยคําว่าละเอียดสุดนี่ก็มันก็ต้องเป็นสมมติอันหนึ่งแต่อันนั้นไม่ใช่สองหมดเลยพูดมาแล้ว่าอยู่สูงอยู่ต่ํานี่จุดมีต่ําอยู่ที่ไหนไม่มีแต่ความรู้เท่านั้นไม่มีอะไรเข้าไปแทรกสิงแม้จะอยู่ในท่าในาขันซึ่งเคยพระคราวกันมาแต่ก่อนก็ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วกลับเป็นคนโลกไปแล้ว ทราบด้ชัดขันก็เป็นขันน่่นเองจิดก็เป็นจิตกายก็เป็นกายเวทนาฉันนั้นขันญาณที่มีอยู่ภายในร่างกายนี้ก็เป็นขันแต่และอย่างางส่วนเวทนาในจิตนั้นไม่คาว่าปรมังสุขขังไม่ใช่สุขเวทนามีตัณหานิพพานังปรมังสุขขัง พลิพานเป็นสุขอย่างยิ่งคำว่าสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ใช่เวทนาเหมือนเวทนาของจิตที่มีกิเลสและเวทนาของกายซึ่งเป็นสุขเป็นทุกข์สแสดงอยู่เสมอไม่ใช่เวทนาเหล่านี้จิตที่มีเบิกเสุจตนล้นแล้วเราจะเรียกว่าจิตมีเวทนาจึงเรียกไม่ได้ไม่ คำว่าปรมาณูสขังนั้นเป็นสุขในหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์จึงหาความไอ้ทางทุกขตาเข้าไปแทรกในปรมังสุขังนั้นไม่ได้ท่านิพานเที่ยงปรมังสุขังนี่ก็เที่ยงนั่นอันเดียวกันท่านานิพานเที่ยงปรมังสุขังก็เที่ยงปรมังูสุญญังก็เที่ยงเป็นอันเดียวกันพูดอะไรเงี้อะไรก็แยกไปได้ถ้าผู้ที่รู้ผู้เข้าใจ เข้าใจแล้วถ้าไม่เข้าใจพูดวันด่างคำผิดวันด่างคำไม่มีทางถูกเพราะจิตไม่ถูกพูดออกมาจะถูกตามอัดตามรำเพียงไรก็ตามแต่จิตพูดแสดงตัวออกมานั้นไม่ถูกแล้วจะเป็นถูกได้อย่างไรเหมือนนางเอเรียนคำว่านิพานังประมังสุขขังนิพานังปรามังสุญญ์เรียนจนติดปากก็ตามจิตก็คือจิตที่มีกิเลสอยู่นั่นแหละ มันถูกไปไม่ได้เมื่อจิตไม่พาถูกเสียอย่างเดียวอะไรจะถูกไปไม่ได้น่ะเพราะจิตถูกเสียอย่างเดียวไม่พูดก็ถูกนี่เพราะธรรมชาตินั้นถูกอยู่แล้วพูดด้วยพูดก็ถูกเมื่อถึงขั้นที่ถูกแล้วไม่มีผิดนี่นี่แหละผลในความบัติจันจรรที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนา พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนถึงภูมินี้เท่านั้นไม่ทรงสั่งสอนอะไรต่อไปอีกหมดสมมติหมดบัญญัติหมดทุกโดยประการทั้งปวงจึงไม่ทรงแสดงอะไรต่อไปอีกเป็นจุดที่มุ่งหมายอย่างเป็นที่แล้วหรือเป็นภูมิของอกิจของธรรมแล้วในเวลาจะไปพานทรงแสดงพระอาวาท เรียกว่าปัดขีมาโอวาดนะันดานนี่ก็คืออมันตยานโยระยะธรรมมาสร้างคาราปมาเดนะสร้างปาเดิทธะรืองก่อนทุกสิทั้งหลายผุดย่อเธอทั้งหลายจงพิจารณาสังขารที่เจริญขึ้นแล้วเสริมไปหรือเกิดแล้วดับไป ด้วยความไม่ประมาทเถอดนั่นเท่านั้นแล้วปิดพระโอษฐ์ในพระโอวาทที่เป็นขนาดขั้นประชิมโอวาทแล้วเราจะถือว่าสังขารนี่เป็นสังขารประเภทใดเราแยกกับสังขารประเภทภายนอกก็ไม่ผิดแต่ในขณะนั้นมีแต่พระสงฆ์ทูกพู้เป็นนักปฏิบัติ ซึ่งมีภูมิทั้งสูงทั้งนั้นนับแต่พระหันลงมาเข้าเฝ้าพระองค์ในขณะที่ประธานพระโอาวาทปัดขิมโอาวาทนี้หลักใหญ่จึงขึ้นอยู่กับสังขารภายในที่ปรุงอยู่ภาณกิจกวนกิตอยู่ตลอดเวลานี้ให้พิจารณาถึงความเกิดความหนับแห่งสังขารอันนี้ ด้วยความไม่ประมาทคือด้วยสติปัญญาอยู่ตลอดเวลานั่นเองสั้งขานอันนี้ครอบโลกธาตุาเราจะแ ย, ยกไปสั้งขารภายนอกก็ได้ต้นไม้ภูเขาอะไรสัตว์บุคคลอะไรก็ได้แต่ไม่สมภูมิพระองค์ไม่เหมาะกับการเวลาที่เป็นเวลาสุดท้ายของพระโพธิเจ้าที่จะประรนิพนธ์และประทานพระโอวาทให้แก่พระสงฆ์ในขณะนั้นการแสดง ปชิมโอวาสเกี่ยวกับร่่งสังขารในขณะที่จะไริ่านนั้นจึงหมายถึงสังขารอันละเอียดสุดที่มีอยู่ภายในใจโดยเฉพาะเมื่อทราบอันนี้ชัดเจนลงโดยแบบทำไมจะมาทราบหลักฐานรากรากฐานของสังขารนี่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรนั่นมันก็ต้องอยังเข้าไปถึงบ่อใงวัดปรจัจับคือจิตตะวิชา มันเป็นทางที่จะอย่างเข้าน้อนั้นผู้ที่อยู่ในภูมินั้นจะต้องได้ทราบผู้ที่กำลังกล้าเข้าไปในเดืนลำบากบรรดาที่ยังไม่ไม่ถึงภูมินั้นสนิทก็ทราบชัดเจนเพราะกำลังพิจารณาอยู่แล้วเหมาะสมกับโอกาสด้วอยล่ำเวลาที่พระองค์ประทานพระค์วาเพราะเห็นใดเพราะปกติของจิต ที่ได้พิจารณามีภูมิธรรมขึ้นไปโดยลําดับแล้วสังขารยิงเป็นจะเป็นเรื่องสําคัญมากเป็นสิ่งสําคัญมากต่อการพิจารณาเพราะอันนี้แสดงอยู่ทั้งวันทั้งคืนแสดงอยู่ทุกประยะภายในจิตจิตที่พิจารณาทำขั้นภายในแล้วก็ต้องถือสังขารเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณานี่ยิงเป็นเรื่องที่แบบ เกีย่ยวเนื่องถึงกันกันกบประชิมประชิม อ, อวัอยางยิ่งทีเดียวที่จะผ้ออาอวิชาให้ล่มจมลงไปก็ต้องสืบทอดไปจากสังขารตัวปรุงอยู่เรื่อยๆที่รับความผลักดันมาจากอาวิชาให้แสดงตัวพอกาหนดตามลงไปตามลงไปก็ไปถึงลากเงาเข้ามุมของ พิเรศทำลายหน้สาสไปเยอะทั้งขา น, นั้นนี้ก็มีมีความหมายอะไรนอกจากธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ทางด้านอัรตธรรมเป็นคิดปรุงแต่งเพื่อประโยชน์แก่โลกแก่สงสา ร, รแสดงธรรมก็ต้องใช้สังขานสังขานประเภทนี้ก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของธรรมไปทังขานที่เป็นเครื่องมือของวิชาบังคับบัญชาให้ใช้นั่นเป็นอันมากเปลี่ยนตัวไปแล้วกลายมเป็นสังขารประเภท เครื่องใช้เครื่องมือของทรรมไปเครื่องมือของผู้บริสุทธิ์ในนำสังขารนี้ออกแสดงแก่โลกคือความปรุงปรุงอัดตรุง ร, รมต่างๆทมที่กราวมาทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ในครั้งพุทธกาลคืออดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ได้อยู่อนาคตที่ยังไม่ถึง แต่อยู่ในระหว่างขันทับจิตของเรานหรืออยู่ในธาตุในขันใ น, ในใจิตใจของเรนานทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายมาทั้งความเบื่อหนูมีอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่การโน้นสมัยโน้นที่น้นกับคนโน้นคนนี้อยู่กับผู้ปฏิบัติคือผู้ฟังผู้พินิพจนรณานอยู่เวลานี้เพราะอะไร เพราะเราต่างคนต่างมุ่งต่ออัตตต่อธรรมมุ่งต่อความจริงเช่นเดียวกับทำที่ท่านแสดงไว้แล้วในสมัยนั้นๆแล้วเข้ากำลังมามัตชิมาเป็นศูนย์กลางอยู่เสม อ, ไ ม, อ ไ, สมไม่เอียงไปสมัยนู้นไม่เอียงไปสมัยนี้ไม่เอียงไปการโน้นการนี้เพราะอยู่ในท่ามกลางแห่งธาตุแห่งขันของเราท่านกลางอยู่เสมอ มัจจิมาขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมนี่แล้วเราจะเห็นผลแห่งมัจิมาที่แสดงออกดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ว่านิพพานังปรมังสุ ข, ขังจะไม่พ้นไปจากจิตดวงรู้นี้เลยยังขอเยติเพียงคํนี้